กรรมดีก็จะรออยู่ก่อนหรือถ้ากรรมดีกำลังให้ผลกรรมชั่วก็จะรออยู่เช่นกันเปรียบเหมือนเก้าอี้ที่เรานั่งตราบใดที่เรายังไม่ลุกออกไปคนอื่นจะมานั่งไม่ได้ต้องรอให้เราลุกเสียก่อนชั้นใดก็ชั้นนั้น สวัสดีค่ะท่าน้ชมที่เป็นแฟนรายการชีวิตไม่สิ้นหวังซึ่งออกอากาศทางททีวีสีช่อง3นะคะวันนี้ตัวตุกเองรู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ภาคภูมิใจมากแล้วก็อยากจะพูดว่ารู้สึกเป็นสิริมงคลกับตัวเองเป็นอย่างมากนะคะที่มีโอกาสได้มากราบนมรักการพระเดชพระคุณพระราชสุทธิยพนธ์มงคลหรือหลวงพ่อจรรย์ธีตธรรมโมนะคะซึ่งพวกเราชาวพุทธศาสนิกชนก็รู้จักท่านเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะ หลวงพ่ชลันนะคะปัจจุบันนี้ก็มีอายุ66ปีแล้วซึ่งท่า น, นตอนนี้ก็เป็นเจ้าอาวาสวัดอัมพวันแล้วก็ยังเป็นเจ้าคณะอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีด้วยนะคะซึ่งก่อนที่หลวงพ่อจะเข้ามาสู่ร่มกาสัสดิ์พักนะคะย้อนในอดีตไปสักประมาณ45หรือ46ปีก่อนเนี้ยนี่นะคะเรียกว่าหลวงพ่อเองกอ็เป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะเกเรนะคะแล้วก็ ค่อนข้างจะสนเอาการอยู่ดีๆเรียกว่าชาวบ้านร้านช่องแถวนี้นะคะแทบจะไม่เชื่อหูเชื่อตาตัวเองเลยเมื่อเด็กชายจรันได้เข้ามาบวชเป็นพระนะคะในพุทธศาสนาแล้วก็การที่หลวงพ่อเองได้เคยเล่าให้ฟังในกฏกรรมภาคหนึ่งนั้นนะคะก็เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิตของหลวงพ่อเท่านั้นเองกฏแห่งกรรมเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่เราสามารถจับประสบพบเห็นนะคะ แล้วก็สามารถมีประสบการณ์ได้ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้านะคะวันนี้ตัวทุกเองก็จะมากราบนมัส ก, การหลวงพ่อถึงเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงศีลห้าซึ่งเป็นการปฏิบัติขั้นพื้นฐานของพุทธศาสนิกชนนะคะคงจะเริ่มต้นด้วยศีลข้อนหนึ่งค่ะหลวงพ่อคะ นาติปาตาเวระมณีสิกขาประธานสมาธิยามิคือห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะได้ได้ทราบมาว่าหลวงพ่อเองมีประสบการณ์ด้วยตัวเองเลยคงจะเป็นเรื่องของการตอนไก่ใช่ไหมคะอ่านจนพอค่ะแต่แต่อมาจะท่าความซะหน่อยค่ ะ, ค, ะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราเลิกผลเลิกไปชวนันมิพานกันมากมายแต่แล้วก็หมายความว่าการจะทำลุกกว่าถึงกรรมนี่เนะ่ะ เข้าใจผิดไปเรียนกันสูงไปถึงหลักพระพิธรรมกรรคิดสองอย่างแต่กรรมาก็เรียนอย่างนั้นเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ประสบประการพอมาได้กับตัวเองอ๋อนี่มนุษย์สมบัติคนชนบัตรมนุษย์คือสินห้าจริงบางคนไม่เข้าใจเข้าใจผิดคิดว่าสมบัติมนุษย์ก็คือเข้าวัดเข้าว่าบวชชีพราหมณ์ไปนั่งกรรมฐานไปชนบัติมนุษย์เราไปสวานิพานข้อเท็จจริงนั้นไม่ใช่ ธรรมะจะเท่าความว่าคนเราเกิดมาในโลกมนุษย์นี่ต้องมีคุณสมบัติมนุษย์มาถ้าไม่มีคุณสมบัติมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้สมบัติมนุษย์นี่มันเจ็ดสูงก็ได้แก่สี่ห้านะเองบางคนมีข้าใจผิดว่าสมบัติมนุษย์คืออะไรบ้างตอบผิดเยอะตอบผิดเยอะแบบคุณสมบัติมนุษย์กอ็อ้างธรรมะโน้นธรรมะนี้ขอชี้แจงมิใช่ก็คือสี่ห้ากิจโฉมนุษย์จับปิลาภู การเกิดมนุษย์เนี่ยคุณโยมดวงตาใช่ไหมค่ะดวงตาดวงตาอันนี้แปลว่าหินไกรมีปัญญาญาลบรู้อ่าเลยชื่อบวงตาตาก็สวยดีเดียวแต่ไม่จะชมนะพูดจริงๆในเมื่อไปเชนนี้แนวสมบัติมนุษย์ก็คือคุณสมบัติจิดโฉมนุษย์กับปฏิีลาภูคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แสนจะยากมา ไม่นจะเกิดง่าย <Okay. S 2> ต้องมีคุณสมบัติมนุษย์มาครบคุนชุบัติมนุษย์นั่นคือสิ่ห้าตั้งแต่ปานานถึงชุลากต่คาว่าคุณสมบัติมนุษย์คือสิ่ห้านั้นก็ตีความให้ชั่นคือคนที่มีสติปัญญา <Okay. S 2> ถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ <Okay. S 2> ถ้าคนไม่มีสติปัญญาต้องเกิดไม่ไม่มีอะไรผิดกับสิงสาราสัตว์ mm hmm. ไปเกิดเป็นศาสเดชฌานไปมาเยอะแยะเราจะรู้ว่าอย่างไร นี่แหละคือคุณสมบัตรมนุษย์ก็คือมีสติปัญญาเป็นมนุษย์แล้วว่าจิตสูงถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่หน้าชี้ได้นะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทําความเป็นมนุษย์ให้ต่ำต้อยนี่เวลาสตะพัดสรคุณโยวนดวงตาเปิดจาออกมาจากท้องแม่เนี่ยจิติพัดสรนผ่องใสแต่มาคลุกฝุ่นคลุกทุรีกันอทุ ก, กีิเลสในนาประการเข้าเลยผ่องายหายไป เลยคุณสมบัติมนุษย์มันจึงค่อยๆเรียนลางและหายไปจากมนุษย์ <ใน S 2> เลยตัวเองก็เป็นสัตว์เบลชานในคราบของมนุษย์ในค่าบของมนุษย์มนุษย์สเปต้เนื่อจากเข้าความก่อนคเหมนุนสเปโต้คือลายร่างกายเป็นมนุษย์สวยๆจิตเป็นเปรตอือยากได้ของเขาอย่างเดียวเสียเพราะแมวด้วยคหลวงพ่ออย่าชี้หนูมากอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะชี้ให้ฟังจะชี้ให้ฟังไม่เป็นไรมนุษย์สเปตต ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตเป็นเปร่ะป็นเปรดอยากได้เสียเพราะแมวด้วย อ, อย่างนี้มีมากแล้วแถมไปมนุษย์จะเดรัฉาหนูร่างกายเป็นมนุษย์สวยด้วยแต่จิตเป็นเดรฉานเพือ่อให้ได้ขวางคนโน้นขวางคนงคนี้ใครจะทาความดีไปขวางเขาอืขวางเขาตลอดรายการนี้ต้องทำความก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะเขาจะไม่เข้าใจค่ะนอกเหนือจากนั้นมนุษย์เสน่ยิโกรร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิต เป็นนรกไปบ้านใครทำให้บ้านนั้นดอดหลองเบียดเบียงคนโน้นเบียดเบียงคนนี้เนี่ยอย่างงี้เรียกว่าเนริโกมนุษยน์นรกหนอกจากนั้นแล้วมนุษย์สัพพูโตหายากมากคือมนุษย์ฉมบัดเป็นมนุษย์ฉมบัดก็มีคุณสมบัติคือสินห้าครบป็นมนุษย์ผย่องใและแถมเป็นมนุษย์เทโว ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตเป็นเทวดา oh. มีฮิลิโอสต์ปะฮิลิโอตโอตาอะไรละอายเกรงกลัวต่อ บ, บาป์ผู้เจริญปีชิงทำมันอายไปหมดแล้วกลัวเกรงกต่อ บ, บาปอย่างนี้เรียกว่ามนุษย์เทวูมีฮิลิโอสต์ปะ <Okay. S 2> คนเราเดี๋ยวนี้มีที่ไหนล่างจิตสูงมีไหมร่างกายสวยอย่างเทวดาคุณภาพไม่มีเหมือนยาเภสัชยาเภสัชคืออะไรยาที่เรากินมันหมดอาอยุแล้ว มันไม่มีคุณภาพเหมือนคนไร้คุณธรรมขาดสมบัติมนุษย์ตรงนี้น่าจะชี้แจงเขาให้เขาเข้าใจคนเราโดยนี่ขาดการศึกษาการศึกษาภูษานามันด้อยรู้จะข้าวขันแกงโถไปวัดรู้จะสร้างโบสร้างวิหารไปสร้างวัดแข่งกันแต่สร้างตัวเองแข่งกันไม่มีใครสร้างสร้างความดีให้เกิดในตัวให้มีคุณภาพเหมือนมีคุณธรรมเหมือนยาเพสัชที่มีคุณภาพไม่หมดอายุกินแล้วก็หายโรคฉะนั้น เช่นเดียวกันนเนี้ยคุณโยมดวงตามาถามเพงว่าศีลก็คือคุณสมบัดมนุษย์อาตมาก็เอาของมนุษย์มาพิจนารณาเราเป็นคนเป็นมนุษย์มันมีคุณสมบัติอย่างนี้ก็อเอามาพิจารณาว่าปานาติปาตาเวรมณีอาินาทานาเวรมณีคือคุณชุบัดมนุษย์มีครบไหมถ้าหากว่าปานาติบาฆ่าศาสตร์จุลิศติดมาหกสิบเปอร์เซ็นตต่ตอไปง่อยเปรียเสียขาเป็นอมาพาตบาบอคอแตกไปพ่าแล้วสายโยงอะไอย่างกันมากมาย หมายถึงว่าถ้าเผื่ว่าใครได้ทำแบบกรรมไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนมันติดมาชาตินตี้ติดมาเลยติดมาแน่แน่ยงเพราว่าหกสเปอร์เ็นเลยถ้าหกสิบปอร์เซ็นต์ต้ามาภาคทุกายอือ<ม>ถ้าไม่ถึงหกสิบเปอร์เซ็นตนะมันก็ยังเป็นน้อยค่ะ อ, อ, อ, อานาติบาทนี่ยกตัวอย่างเท่าความคเท่าความในงั้นเดียวกไม่เข้าใจกันนะอาทินาทานติดมาหกสิบเปอร์เซนต์รับรองต้องโดนป้อนโดนที้ไปไปต้อนไปเด็ดเบียนชับเข้ามา โดนโจ้ดโดนจี้โดนกองยังไม่พอไฟไม่บาดมีทุวอย่างมีทุวอย่างอย่ายกให้ฟังต่อภายหลังการเมยสุมิช้าจาย์ติดมาหกสิบเปอร์เซแล้วนั้นรับรองเลยเลยขอประทานโทษนะจะหาจะมาพูดไม่ดีมีสามีเป็นห้องเขาหมดเป็นห้องเขามีภรรยามีชู้นี่จะพูดกันนี่เรื่องจริงมีผ่านมาอาจจะมาประสุมประการแล้ว นีการเมือจเมาติดมาหกสเอร์เ็นถ้าไม่รู้จักจะสร้างบุญและแก้ไขต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนโบยไม่ผิดหวั ง, งมุสาวาดหลอกลวงโลกหวังอาลาบ์เขาชอบหลอกลวงเขาและหวังอาลาบ์เขาถึงจะปากกระท้องชนีเนี่ยคือโกโหกโมเทส <c oughs> แถมโกโหกโมเทสยังไม่พอพูดเทจพูดส่อเสี ย, ยพูดคาอยางพูดเธอเจอ <c oughs> อีกด้วยในสังคมของคนไทยเรา มีมากมายทุกวันนี้เป็นชี่นาทีิได้มาถ้าติดมาหกสเปอร์เซ็นเนี่ยรับรองต้องโดนหลอกโดนโกงโดนคนล่อลวงตลอดรายการธุราเมลยะติดมาหกสเปอร์ซ็นข้างอดีตที่ผ่านมาไม่รู้จกแก้ไขรับรองต้องไปเกิดในบ้านที่จะเป็นเศรษฐีมั่งมีชีสุกตามแต่ต้องไปโลกประสาทอันดับหนึ่งอันดับสองรองมาถ้าจะพาฝืนคุณธรรมเดิมธุรายา ม, มาเพ่ขงขไปอีก รับรองลูกต้องเป็นบ้าอยู่ชี้สัญญาไม่พักเดี๋ยวนี้ย่อเตยเข้าชี้สัญญาเยอะในเรื่องจริงที่จะรมมาต้องโหกล่าวก็ต้องการให้่ยแต่ชาชนได้นราบว่ารรคภูษาณาอยู่ตรงไหนอยู่ที่คุณสมบัติถ้าเป็นคนเป็นมนุษย์ไม่มีสมบัติมนุษย์แล้วไหนในเรามนุษย์นั้นจะมีความสุขจิตสูงได้ยังไงเนี่ยมีเรื่องอย่างนี้เนี่ยธรรมาก็ขอเจริญพรท้าวความว่ะเนี่ยโกเทงกรรม กฎแห่งกรรมของมนุษย์ที่จะต้องเป็นได้ตากฎแห่งกรรมมาแนคนหนึง่งค่ะสิ่งขั้นหนึ่งคงงหนงหนึ่งคือ ป, า, ป, า, ป า, อาติปาณะตาเวรมณีฆาชาตจัตชวิทธเบ็ดเบียนชีดของเขาค่ะก็เป็นบาปเป็นกรรมเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตัวเองจะเป็นใครก็ตามถ้าติรมอาตมาทํามาแล้วโชคเลยอยากอยาก <ขอ S 1> ได้ดได้เรื่องของของหลวงพ่อเองนะคะที่ทำแล้วก็ประสบพบเห็นแบบกรรมทันตาเห็นชะตาในชาตินี้ค่ะก็อยากให้ปอา ทานมาแล้วก็ไม่ได้กล่าวต่อไปก็กล่าวถึงว่าเป็ดขายหมด่แม่ไปเลี้ยงไก่ไก่ออตลอดรู้จักไหมไก่โลดไก่ตลอดไก่เลี้คอนพันไข่ไม่เคยเลี้ยงเออไม่เคยเลี้ยงก็ไม่รู้สิตรงนี้เลี้ยงทิ้งได้รู้ะเลี้ยงไก่ยเยอะเอาไขา่ขายเอาตังค์ไปกินโรงเรียนเลยก็เขาบอกว่า เลี้ยงไก่นี่นะถ้าหากว่าตอนขายตัวได้อออย่างนี้ไม่เดียวตอนเนี่ยขายราคาตกขายแต่ไข่ขาจะขายอย่างเดียวเราก็ไปดูเขาตอนไก่เขาก็เจาะต่อสวามันขังขนคแล้วก็มีเหล็กดือกเอาไส้มาตัดไส้เลยเย็บของไก่แล้วก็มันจะอ้วนขึ้นมาขายได้ราคาคือขายไก่ทั้งตัวอขายทั้งตัวเลยคมาจะขายไข่ดี เดียวคล้ายๆอาตมาก็ไปดูมาศึกษาหาความรู้แต่ไม่ได้เรียนอศึกษาหาความรู้ทัศนศึกษาเหมือนอย่างพวกนักศึกษาก็ไปทัศนศึกษากันเชียงเจียงใหม่ไปดูปัตตานนี้สงกลาพัทยาอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเขาชอบไปแล้วก็ไปดูจำได้เราก็มาไปจ้างเขาตีเหล็กเหล็กแหลมๆแล้วก็มีมีดอ่อนหมดทุกตัวเฉยนะ ฆ่าตอนเองตัวโงไงเรากล้เสร็จแล้วกลเสลรเส็จแ ล, ล, ล, ล้วมีเ้าีเจ้าไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปอ้าวตัวตายแล้วออแล้วก็เอาไส้ออกมาตัดตัดแล้วเย็บไก่ก็เริ่มตายไส้ก็เน่าตายมึงคอกเลย ตายหมดเลยตอนอันดับหนึ่งอะไรวะเนี่ยตายหมดแล้วเลยตายหมดครอบเล ย, ย, เลยก็ผลกันตายวันละห้าตัวสิบตัวก็ไก่เลี้ยงไปเอยลอยโยมแม่ก็ด่าเริ่มให้พรด่าบอกไปตอนไก่ยังไงไปเลียงมันจากไหนบอกผมไปดูเข้ามาอืแล้วก็จําเข้ามาได้แล้วก็มาทํา แต่ไปดูเฉยๆเหมือนอย่างพาเด็กไปทัศนศึกษาตามเชียงใหม่ตามเนี่ยพออเขาก็ชวนไปอย่างนั้นไม่ได้ลงไปเลยเนี่ยไม่ได้ไปศึกษาไปดูเฉยๆได้เหรอนี่ไปดูเฉยๆเนี่ยขอฝากคติธรรมต่อผู้ศรัทธาทุกชนไปด้วยต้องเรียนให้รู้ดูให้จําทําให้จริงคถ้าไม่ยอมเรียนไม่เรียนไม่รู้ดูจําทําจริงเนี่ยจะเรียกว่านักเรียนยังไงอย่างนี้เรียกว่านักศึกษาไปทัานศึกษาอาตมาก็มาตอน เน้อไก่มันก็ใสเ่เน่าตายวันละสี่ตัวห้าตัวโย่แม่ก็ดา่าเราก็ไม่รู้จะไปทํำยังไงเราจะาไปแกงแม่ก็บอกว่าอย่าไปแกงมาเลยไปฝังือเอาไปฝังดินอืสงสารมันเราเลี้ยงตายเนี่ยไม่เคยไม่เคยขายไปให้เขาค่าเลยนะอืเคยเลี้ยงเอาไขา่ขายเท่านั้นเองก็สงสารก็ฝังต่อมาก็ไม่รู้ว่าบุญบาปตรงไหนแล้วเราคิดว่าตอนเนี่ยหวังดีแล้ว แต่เราไม่ได้เรียนไปดูเฉยๆว่าเขาตอกตรงไหนเขาเย็บตรงไหนเพราะฉะนั้นเองนะไม <c oughs> ่ไม่ใช่เรียนแต่ <c oughs> ไปศึกษาไปแสวงหาความรู้ไปไปดูเข้ามาดูเฉยๆไม่ได้ผลต้องลงมือทอ <c oughs> ต้องไปถามคะ่ะกายตายมือคอดเลยนี่มากกับต่างกายตายมอือคลอกชนีแหละในเวลาการการต่อมากรรมก็มาชักเราตาตมาจะท้าความเรื่องตอนของกรรมนี้มันมีสองเรื่องสําหรับตัวตามา <c oughs> จำไม่สิ้นเลยเนะียต้องตามทัดเรากว่าจะหมดข้อหนึ่งตัมามาอยู่นี่ก็คงจะจำได้คงไม่ผิดสองพันร้อยสองพันสี่ร้อยเก้าเก้าสิบเก้าแล้วก็เป็นเจ้าวาสองพันห้าร้อยแล้วจะเป็นห้าร้อยหนึ่งเริ่มมาแรกก็มาอยู่ที่โบสถ์กุติ 4, มันก็ไม่ค่อยจะมีมันก็พังหมดต่มมาก็เริ่มเป็นโกหลำไพม โรครําไส้โรคกระเพาะสามปีช้อนขานข้าวไม่ได้เลยมาสามปีขานข้าวไม่ได้ปวดท้องไปหาหมอหลายโรงพยาบาลหมอก็ให้ยามาทานมาฉันก็ไม่เห็นหายออื mm hmm. ไม่มีทางหายเลยแต่เราก็เจริญกรรมมาฐานที่ยังชีวิตอยู่ได้ออื mm hmm. แต่ใช่เจริญกรรมาฐานใช้ออดทนตั้งสติสัมปชัญญะท่านั้นแต่ก็ไม่หายมันจะต้องให้เราใช้มันจนได้ ในเวลาการต่อมาไส้ก็เลื่อนเน่า<ม>เลื่อนเน่าเน่าเน่าไปขอประธานโทษนะทายปัชวะอุจจระเป็นเลือดเป็นน้ำเหลืองออกมาข้าวฉันไม่ได้มาสามปีเลย น, นี่เริ่มเนีของชีวิตในเวลาการต่อมามีศึกษาคนหนึ่งเข้าไปลุกศิษย์เขาก็ามาเยี่ยมบอกท่านอยู่อย่างนี้ไม่ได้จะพาไปโรงพยาบาล อาจะมาก็ไปกับเขาโรงพยาบลาลศรีราะไปถึงหมอกรดกรดแก้เลาหูคอยได้ยินหมอเขาพู้กันหน้าห้องเขาบอกว่าองนี้จะตายใช่เน่าไว้ต้องหลายสิบปุ๊ดยันจะปากดีเพราะว่าเราปากดีปากดีเดี๋ยวพรงนี้สองโงเช้าผ่าตาใช้ทิ้งอือาตาใช้ทิ้งเพราะ ว, ว่าศึกษาก็าฝากกับหมอไว้เรียบร้อยศึกษาห้องกลับ ตัดไส้ทิงอาตมาได้ยินเอ๊ะอย่าตายโรงพยาบาลเนี่ยตัดไส้เราชิงเราก็แย่สิกลับมาตายวัดดีกว่าออาตมาก็ตีสี่ตีสี่เก็บผ้าลงมาแล้วนางพยาบาลวิ่งตามท่านจะไปไหนบอกตามพนางกิจวัตรของพระตีสี่ต้องเดินจงกรมเดินจงกรมเอ๊นี่มูสาวาถาด้วยแมไม่ไม่ไม่มูสสาไม่ใช่มูสสาโดยนจงกลมจริงโอ้โหเดินจงกรมจริงแต่เงั้นไม่ใช่เดินอย่างนั้น เดินออกมาไม่ใช่มุกษาไม่ใช่โกโห ก, ห ม, กมันแท้โดยยโยกรมเดินมาหารถแล้วก็ขึ้นรถไปเลย <c oughs> แล้วพยาบาลเขาก็กลับไปที่ห้องแล้วเราก็ไม่ท้าความปิดต่อไปกลับมาวัดกลับมาอยู่ในโบสถ์ตามเคยอ <c oughs> อย่าลืมนะโยมไหมน้ำหย ด, ดเดียวก็ฉันไม่ได้ออืฉ <c oughs> ันไปแรงทําไงน้ําพระลงตกทองแล้วก็ตกทองตดมากทีเดียว แล้วเราก็รอเวลาตายเช่นนั้นเองอยู่เพื่อรอเวลาตายไปวันหนึ่งแล้วนางกรรมาฐานเพื่อยังปวดมันยังปวดได้ถ้าเราขาดสติมาใดมันจะปวดหนักขึ้นมันนะเราจึงได้เพื่อนตายของเราคือสติเท่านั้นเลยพอดีนายเทียบน้องบุญนาบอกชื่อเลยเป็นบุญนาสารจังหวัดสิงห์บุรีกับในผู้เกลียวเกษมก็เดินทางมาเยี่ยมตอนนั้นถนนไม่มีเลยนะต่อรถจี๊มา หกเขตมาใช่ไหนั่นมีเรือแดงหรือเขียวค่ะสินท่านาตระิ่งของวัดอัมพวันก็มาเยี่ยมก็มาเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ไปกระซิบกันหน้าโบสถ์โบสถ์หลังเกาเ่านะบอกว่าท่านเนี่ยแย่แล้วก็ไม่เกินสามวันอตายเนี่ยเนี่ท่านก็พูดปรึกษากับพูดกับการจังหวัดคือในปุ๊บเลิกเกษมคนเก่าย่างรู้จักจกันเยอะในเทียบนาบุญน้าเป็นหัวหนาา้าศาลตรงหวัดชลบุรีเป็นป ร, ริยนธรรมบุกประโยชน์ รูปสึษวันมหาธาก็บอกมาบอกอาจาร์มาบอกท่านครับผมมียาเทวดาปูเป็นหายอา้าวท่านมีเจตนาดีอาตาร์มาก็เขาก็หายไปเดี๋ยวไปเอามอดินมาโมดินมาลูกหนึ่งเ่าไม่ฝ้าเพราะว่าทายวันนี้เขาทำมอดินขายเพก่ชาววินญาณเราซื้อกลือมาอามาระ์ําก็จำตำานไา ด, าด้บอกว่าปูเป็น ไม่หายเทวดามาบอกแล้วก็ทำให้ปู่ปู่ก็หายอย่างก็ลองดูแล้วก็หยิบกรรมให้มากา ร, รเกลือนหนึ่งกรรมใส่หม้อว่าพุทธังปัจจคามิแล้วกรรมที่สองทำมังปัจจคามิกรรมที่สามสังฆังปัจจคามิแล้วเขาก็ปิดปากหม้อแล้วเขาก็ไปเรียกว่าสตุเกลือสตุไปไปเอาอ่างไฟใส่ฟืนไม่ต้องใส่น้ำ ไ, ไม่ไงเลยม่ต้ยอยากไม่ใส่ ยาเกลือมันจะละลายไปเองอืพอเกลือละลายไปแล้วเขาก็ไปเอาไข่ไก่ที่มันไม่มีเชื้อไม่เป็นบาปเขาว่าอย่างงั้นเอาไข่แดงทิ้งเอาไข่ขาวทั้งหมดประมาณทิ้สองลูกทิ้สองฟองแล้วก็มาตีให้เข้ากันแล้วก็ปรุงเกลือลงมาแล้วใส่โคลให้เข้ากันแล้วตั้งชีตั้งชีแล้วก็ปรงุงออกมาก็ใช่โหล ใส่โหลอ้ไฮตมาฉันหนึ่งช้อนขาวฉันแล้วเขารีบไปเลยใส่ปราบชันไปหนึ่งช้อนแล้วน้ำเกลืวยกออกไปยาตมาดิ้นไปหมดเลยทำไมอะดิ้น<ง>ปวดที่สุดหลบไปเลยไปหนึ่งฟืนไปหนึ่งฟืนหายเลยอหายปวดทองเลยแล้วก็ข้าวขึ้นในวันชั้นช้อนหนึ่งไม่เป็นไรเลย แล้วก็เกลือนั้นก็หมดสามกำมือาหายวันให้คืนม า, าหายแล้วก็นางกรรมฐ า, านเวรยังไม่สิกรรมยังไม่สิจอยู่ต่อมาห่างกันหลายปีจากสองพันร้อยหนึ่งกับสองพันร้อยสิบสองเขาจิตจำได้คงไม่ผิดสิบเอ็ปีนะอเอาอยอะแต่เย้ะไม่ได้เป็นปวดท้อง ไม่ใช่เป็นโรคปวดท้องไม่เป็นโรลคลำาส้มันหายเ ล, ลําำไส้หาเดืกขาดไม่เป็นเน่ยโนยพดีท่านภูมิ้กองตารวจตอนนั้นเป็นในร้อยเอกชนอินทนาเป็นคนดีมากเราไม่กินยาไม่สูบข้าวัดข้าวาเขาย้าย ไ, ไ, ไ, ไปอยู่เฉวดให้ไปปราบคอมมิว น, นิสต์สมัยนู้นอาตมาก็ตามไปส่งรวมรัแต่ให้ท่านก็ขึ้นรถไฟรถไฟไปก็ยืนดีๆตู้ตู้นอนพิเศษ แล้วเขาอยู่ตู้หนึ่งตากมาก็ยังไม่เป็นลายขึ้นรู้จะถึงผ่านทุ่งพรหรือตรงไหนจำไม่ได้ปวดท้องเป็นการใหญ่อืปวดสลบไปเลยเดิมเหมือนเดิมคแต่ปวดต่อปวดต่ำไปยึดทองน้อยเนี่ยตอนนั้นมาปวดสูงที่มาปวดตามลงไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นลายสลบอืปวดจนสลบเลยสลบเลยสลบไป ก็คือใช่จริงแตอ oh. ใช่จริงแตกในรถไฟฉลบเลยคุณนายเฉลาก็ร้องหฮมร้องไห้เพราะว่าอันตามาเนี่ยต้องมาตายในรถไฟใช่แล้ว um. แต่ที้คนอยู่ในตู้เดียวกันเนี่ยที่นอนอี ก, อ, กอีกแห่งหนึง่งเขาก็บอกว่าเขาก็เคยเป็นหมอมาเขาบอกใช่จริงแตกไม่หลอกด <Okay. S 2> ตายเราได้ยินแล้วก็บอกว่าไม่กลัวตายแล้วไม่กลัวแน่แล้วเราก็ใช้กรรมฐาน ใช้ตั้งสติกรรมาฐานที่เราเคยเจริญกรรมฐานคึ้นม า, า, น า, ม, ามันก็ทนไว้ได้ไปถึงสถานีเฉอวดก็พยายามแข็งใจเดินแข็ง ใ, ใจเดินจากที่นี่กูนายก็าร้องหอบร้องไห้ยหมดแล้วร้องห้ยว่าเราไม่หลอดอต้องตายแล้วไปถึงบ้านพักในาําำรวจอําเภอเฉอวดสถานีตำรวจแล้วเขาก็ไปตามหมอมาแพทย์หญิงคนหนึ่งชื่อลายจําไม่ได้ ก็มากรวดแล้วบอกต้องส่งโรงพยาบาลใหญ่พ่ทีนั่นมีแต่ไอ้อนาไมาชัชนึงนก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือจะผ่าตัดบอกนี่ยท่านเนี่ยต้องพาแล้วต้องรีดจ่ายตาเนี่ยไม่งั้นตายเนี่ย แ, แต่จามาไม่ยอมไปพอไม่ยอมไปชั่งหน่อยท้องนี่มันอืดก็อาเจียนไปนเลือดถ่ายจะละเป็นเลือดเป็นน้ำหนอะมันเน่าหมดแล้ว น, น, น, นออกมาทั้งหมดเดีคุณนายเฉลา้วเขาก็ปาด ก, กวาดเขาก็ไม่รีรังเกียจเอง แเราก็ใช้กรรมฐ า, านนะอย่าลืมว่าปวดที่สุดเหมือนอย่างที่ตอนไก่ฉะนั้นะน้ำเลือดน้ําเหลืองออกมาอย่างนั้นเลยนะอไอ้ตาวไอ้ไก่ควรจะตายน้ําเมือดน้ําเหลืองไส้มันเน่าออกมาแบบเดียวกันเลยคอืมอุจจาระก็ไปเลือดเป็นหนองเลยแพทย์หญิงก็บอกเอ๊ะอยู่ได้ยังไงแล้วก็กระชิบบอกกับคุณนายว่าไม่ไม่พงศิลปมต้องตายชีจะอดนะ่ไตมาก็แผ่เมตตานึกถึงไก่ได้เลย มาตอนปวดท้องรุ่ก่อนไม่มีถึงไก่หรอกลืมแต่ตอนนี้ทรายมันเนา่าออกมาเป็นน้าเหลืองนีถึงก่ยช่แล้วตอนก่ายแน่นอนนก่ายเลยมันเป็นน้ําเดือดน้ำเหลืองมันเหม็นเหม็นเน่าโดยแพทยหญิงก็บอกว่าเอ๊ะรอดยัง ไ, ไงแพทหญิงบอกว่าท่านตาัดสินใจไม่ไปโรงพยาบาลใหญ่ก็ไม่เป็นไรเพราก็่าตัดสินใจให้หนําเกลือแล้วอยู่โค้ดอะไรต่ออะไรให้ายาก็ค่อยดีขึ้นมาตามดับอืก็ดีมาตามดับยาต่อมาก็ นึกนายก็สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาให้กายบอกว่าเอออย่าเอาเวรกรรมเราเราเป็นเด็กแ้่เราก็ไม่ได้เจตนาอืให้เจ้าตายนะต้องการจะตอนเจ้าให้มันอ้วนแล้วเด็กสายได้ราคาค่ก็คงจะบาปเป็นการขายก็คงไปฆ่าแกงกินฉันอยู่กันอื ม, มานึกย่าตอนหลังเลยก็นึกพอแผ่เมตตาปั๊บเราก็หายวันให้กลนทันทีเนี่ย นี่มันเป็นสาเหตุนี้นี่ารานย่จจอยๆเท่าก็ตามมาให้ชดใช้ถึงสองครั้งสองครั้ ง, ง, งกัน<ล>ค่ะทีนี้มาถึงสินข้อสองบ้างค่ะ